สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อใหญ่คือพระเยซูชีวิตพระเยซูตอนที่สิบสองนะครับหัวข้อย่อยในวันนี้คือ John the Baptist ตอนที่สองจอห์นเดอะแบปตินั้นคือเป็นชีวิตของยอนผู้ให้บัปพิชมานะครับในวันนี้เป็นตอนที่สองพูดถึงเรื่องเป้าหมายของยอนเดอะแบปติสนะครับผู้บันทึกจิตวิคุณและผู้เผยพิจารนะในพันธสัญญาเดิมนั้นบอกให้เราทราบถึงเป้าหมายของยอนเดอะแบปติส มีอยู่สามประการด้วยกันเรารู้นะครับว่ายอห์นเดอะแบปติสต์นั้นเป็นผู้เผยพชวนะคนสุดท้ายของพรภีบฏเดิมนะครับซึ่งต่อเนื่องกันไปแต่เมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่า400ปีหลังจากที่พวกเขานนั้นได้กลับมาสร้างกรุงเยรูซาเลมสร้างพระวิหารนะครับโดยเอสราเนมี ame, นะครับแล้วก็เซโรบเบลคนเหล่านั้นหลังจากที่พวกเขาได้เสียชีวิตลง วิหารได้ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่ากลายเป็นยุคเงียบสี่ร้อยปีที่พระเจ้าไม่ได้ตรัสครับพระเจ้าไม่ได้ตรัสโดยการเผยพชนะกับผู้เผยชนะอีกนั่นเป็นวิธีหรือวิธีการของพระเจ้าในการเตรียมตัวให้อิสราเอลนั้นได้พบกับกรีกพบกับโรมและก็งวดขึ้นมางวดขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวาระที่ พระเจ้าได้กําหนดไว้ก็คือเป็นวาระแห่งการช่วยให้รอดขององค์พระเยซูกิตพระเมสสิยาในการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์พี่น้องครับยอนนี่แหละครับเป็นคนที่เป็นคนกุยทางนะครับเป้าหมายหลักสามประการของยอนนะครับก็คือประการแรกจัดเตรียมหนทางสําหรับพระเยซูประการที่สองเป็นพยานถึงพระเยซูว่าทรงเป็นความสว่างของโลกประการที่สาม เทศนาให้คนกับใจสํานึกผิดรับการอภัยโทษจากพระเจ้าเป็นการเตรียมตัวคนยิวในการที่จะต้อนรับพระเยซูครับเพราะว่าพระเยซูนั้นมาประกาศแผ่นดินของพระเจ้าการที่คนเรานั้นจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้คนเหล่านั้นจะต้องกับใจสํานึกผิดและรับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าเสียก่อนเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายสามปการแรกมีพระเจ้าของพระเจ้าอ่านให้พี่น้องฟังนะครับ เป้าหมายหลักแรกของยอนเดอะแบปทิสก็คือการจัดเตรียมหนทางสำหรับพระเยซูนะครับในอิสยาห์บทที่40ข้อที่3เสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมมันคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารจงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลสายนะครับเสียงหนึ่งนี้หมายถึงเสียงของยอนเดอะแบปทิสครับในพระธรรมมาราคีบทที่3ข้า่1ซึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับ ดูเถิดเราส่งทูตของเราเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ชิงเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมาเห็นไหมครับนี่เป็นเป้าหมายหลักประการแรกของยอห์นเดอะแบปติสก็คือเตรียมหนทางให้กับพระเยซูประการที่สองครับเป้าหมายหลักประการที่สองก็คือเพื่อเป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกนะครับการจัดเตรียมหนทางนั้นหมายความว่าสําหรับสมัยนั้นนะครับเมื่อกษัตริย์ จะเสด็จผ่านถิ่นทั่วกันดารก็จะมีพลโยธาหรือกองทัพนาน้นล่วงหน้าไปก่อนเพื่อเตรียมปรับพื้นที่ปรับถนนให้สะดวกสำหรับการเดินทางของกษัตริย์หรือแม้กระทั่งมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะดูว่ามีพยานตรายอะไรหรือเปล่านะครับเป็นการเตรียมทางล่วงหน้าต้อนรับกษัตริย์ที่จะเสด็จมายอนผู้ให้บัพติมนั้นเป็นผู้ที่เตรียมทางล่วงหน้าอย่างนี้แหละครับเขาขจัดความคิดผิดๆเกี่ยวกับพระเมสสยา เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเมยสยาซึ่งมาปรากฏครั้งแรกนะครับสเสด็จมาในโลกเป็นครั้งแรกทรงลูกลาครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเป็น king of peace นะครับก็คือเป็นพระเจ้าแห่งแห่งสันติสุขนะครับยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งสงครามพี่น้องครับความคิดผิดๆความคาดหวังผิดๆนะครับของคนยูวในสมัยนั้นเพราะเนื่องจากเขามีบริบท ถูกครอบครองเป็นประเทศราชของโรมเพราะฉะนั้นเ้าคิดว่าพระมาริหานั้นมาเพื่อที่จะปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสของโรมเขาไม่เคยคิดครับว่าจริงๆแล้วพระเจ้าดูที่จิตใจพระเจ้าดูที่ศีลธรรมจริยธรรมพระเจ้าดูชีวิตถ่ายจิตวิ ญ, ญญาณมากกว่าข้างนอกจึงเป็นเหตุที่ทำให้เป็นภารกิจแรกของพระเยซูในการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ก็คือต้อง ให้พวกเขากลับใจใหม่ยอนนะครับเป็นผู้ที่เทศนาเป็นคนแรกเลยครับให้เขากลับใจใหม่สำนึกผิดให้เขาเตรียมตัวรับการไถยโทษจากพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราเปิดในพระธรรมยอนบทที่หนึ่งข้อที่หกถึงข้อที่แปดนะครับผมอยากให้พี่น้องฟังพระธรรมยอนบทที่หนึ่งข้อที่หกถึงข้อที่แปดมีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านเป็นจกักรีพรยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่าน ท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยายนแก่ความสว่างนั้นท่านคับเราจะเห็นนะครับว่ายอนไม่ใช่ความสว่างแท้ครับแต่ยอนกำลังเป็นจักขีพยานเป็นพยานให้กับความสว่างแท้และความสว่างแท้นั้นในข้อที่กลาได้กล่าวต่อไปว่าความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้แม้ขณะนั้นกำลังเข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาทางพระองค์ต่โลก หาได้รู้จักพระองค์ใหม่คําว่าพระองค์ในที่นี้หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ครับและความสว่างแท้ก็คือพระเยซูทําให้มนุษย์เห็นความจริงความจริงเรื่องอะไรครับความจริงเรื่องการช่วยให้รอดความจริงเรื่องการกลับใจใหม่รับการอภัยโทษจากพระเจ้าความจริงแห่งการที่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวความจริงแห่งการกลับคืนดีกับพระเจ้าครับนี่คือการจัดเตรียมหนทางของยอนนะครับ พระเจ้าทรงใช้ยอนนะครับมาเป็นพยานถึงความสว่างนะครับและนี่คือสมัยนามอีกนามหนึ่งนะครับของพระเยซูนั่นก็คือความสว่างครับพี่น้องครับเรามาดูนะครับว่ายอนนะครับพระกิตติคุณยอนบันทึกว่าท่านยอนเดี๋ยวแบพิส์นั้นไม่ใช่ความสว่างนะครับแต่ท่านมาเป็นพยานเพื่อความสว่างนั้นอันนี้คือสถานภาพนะครับการรู้จักส น, นภาพของตัวเอง ว่าเรานั้นเป็นใครยอนทราบครับว่ายอนเดบับดิสันท่านเองเป็นใครนะครับและท่านก็บอกว่านี่คืองานที่ยอนเดบับดิสทำก็คือเป็นเพียงแต่คนเป่าประกาศให้ประชาชนทราบว่าพระเยซูเป็นใครพี่น้องครับในวันนี้นะครับหลายหลายคนนะทําตัวเป็นพระเยซูเสเองนะครับแต่ไม่ได้ทําตัวเป็นยอนเดบับดิสครับเพราะอะไรครับเพราะว่า เขารู้สถานภาพของเขาเขารู้หน้าที่ของเขาเขารู้ขอบเขนเขาเขารู้ความจํากัดของเขาเขารู้นะครับว่าเขาควรจะทำอะไร job d e c i p i o n ของเขานั้นคืออะไรเขาควรจะต้องรับคําสั่งจากพระเจ้าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในคําพยากรณ์นะครับและอยู่ในหน้าที่ของตัวเองรักษาหน้าที่ของตัวเองรักษา job d e s c i p i o n ของตัวเองไหครับและพึ่งพาและเชื่อฟังและคอยฟังคําสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พี่น้องครับเป้าหมายที่สามของยอห์นนะครับเดแบติสก็คือเทศนาให้ประชาชนกลับใจใหม่นะครับสำนึกปากเพื่อรับการไถ่โทษไม่ว่ายอห์นจะไปที่ไหนเขาจะเทศนาข้อความนี้ตลอดเวลาพี่น้องครับเราทั้งหลายได้รับคำบัญชาจากพระเยซูเจ้าของเรานะครับว่าให้เราทั้งหลายออกไปประกาศข่าวประเสริฐความรักความรอดของพระเจ้าให้กับคนที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรับคำ บัญชานี้ด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจและด้วยความถ่อมใจครับเพื่อที่ว่าการอภัยโทษบาปการกลับใจใหม่การบังเกิดใหม่และการคืนดีของคนอีกมากมายที่เราจะไปบอกกับเขานั้นจะเกิดขึ้นและเขาจะได้มีโอกาสเข้าแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับพวกเราขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้นะครับที่เราจะกลับมาและพิจารณาดูว่าตัวเราเนี่เป็นใครได้รับคาบัญชาอย่างอย่างไร และเราควรจะปฏิบัติตอบสนองต่อคำบัญชาเหล่านั้นที่มาจากองค์พระคเจ้าของเราอย่างไรแบบไหนต่อไปขอพระเจ้าอวยรพรพี่น้อง ท, ทุกท่านอาเมน